ข้อปฏิบั ต, บติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภกทรัพย์ข้อคอในแง่รัฐพระพุทธศาสนามองเห็นความสําคัญของทรัพย์ในสังคมของชาวโลกว่าความโจนเป็นความทุกข์ในโลกความยากไร้าขาดแคลนเป็นสาเหตุสําคัญของอาทยากรรมและความชั่วร้ายต่างๆในสังคมเช่นเดียวกับความโลภและสัมพันธ์นกันกับความโลภด้วยและถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่เหล่าชนผู้ไรทรัพย์ไม่ให้มีคนจนยากขัดสนในแผ่นดินคือมุ่งช่วยพร้อมกับส่งเสริมความขยันไม่ให้จนเพราะเกียรตครานซึ่งทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยวิธีการต่างๆประกอบกันและตามที่เหมาะกับสถานาการณ์เฉพาะ อ, อย่างยิ่งการเปิดช่องทางสร้างโอกาสให้ถวยราด ทำมาหาเลี้ยงชีพเจริญก้าวหน้าโดยสุจริตการส่งเสริมอาชีพการจัดสรรเกี่ยวกับทุนและอุปกรณ์ตามหลักราชสังฆวัตถุศีและการควบคุมป้องกันไม่ให้มีอธรรมการคือการทําการและวิธีการทั้งหลายที่ไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมมีการเอารัดเอาเปรียบกันเป็นต้นโดยที่รัฐควรถือเป็นหลักการว่าการลดหมดใบของคนยากไร้ เป็นเครื่องวัดความสำเร็จได้ดีกว่าการเพิ่มขึ้นของคนร่ำรวยและให้การลดหมดใบของความขัดสนนั้นเป็นผลของการจัดการทางสังคมที่ไม่ละเลยการพัฒนาคนหมายเหตุหลักราชสังคหวัตถุคือสังคหวัตถุของพระราชาหรือหลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครองได้แก่ 1. สัตสเมทะฉลาดบำรงทัญญาหาร 2. ปริสมธทะเจลาดบำรุงข่าราชการ 3. สัมมาปาสะผูกผสานรวมใจประชาด้วยการส่งเสริมสัมมาชีพให้คนจนตั้งตัวได้และ 4. วาจะไปยะมีวาทะดูดดื่มใจ